อิติปิอิติปิอิติปิปข้าพเจ้าพระภัยบอญพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโฉกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในช่วงนี้ที่เราได้ฟังเรื่องความเป็นมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้ดําเนินกะธรรมในการที่จะ ความเป็นบารมีในความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในเหตุอย่างนี้อย่างนี้คือภาษาบาลีที่เขาใช้คำว่าอิติปิแต่อย่างบทสวดที่เราสวดกันว่าอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธนี่คือเป็นบทสวดสั้ น, นที่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแ้วก็สามารถที่จะพูดให้จบได้ในบทสวดนี้อิติปิโสเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่า แม้เพราะเหตุอย like like like like like oh, ่างนี้อย่างนี้แต่พระผู้มีพระภาคแต่เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่ได้กระทําประพฤติสั่งสมมานี้มันมากมายมหาศาลจึงทําให้หลายๆคนครูบาอาจารย์ต่างๆได้เคยบอกว่าแหมถ้าจะมาเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าให้ฟังว่าเป็นยังไงยังไงเนี่ยโอ้มันเล่าตลอดชีวิตก็ยังไม่หมด เพราะว่าเรื่องราวลายละเอียดต่างๆนี่มันมันมากทีเดียวมากะนิดที่เรียกว่าคือไม่ใช่ว่าแค่ตลอดชีวิตนี้ของเราจะพูดหมดได้ก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยพูดย่อๆแต่ว่าอิติปิเท่านั้นเองแแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ในช่วงนี้เราก็ได้ให้ฟังเรื่องราวของความเป็นมาก่อนที่จะ พระพุทธเจ้าของเราเนี่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้คือบําเพ็ญบารมีมามากขนาดไหนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นพุทธประจนะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเล่าให้ฟังเองในชาติสุดท้ายนั้นคือตอนที่ได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ได้ตัดเล่าเรื่องนี้ให้พิสุทธิ์ทั้งหลายฟังเกี่ยวกับว่าตัวพระองค์เนี่ยทำบุญบารมีอะไรมาบ้างทีนี้ก็ไม่ได้เป็นพระสูตรเดียวจบ เป็นเรื่องราวต่างๆที่ตัดไว้ตรงนั้นบ้างตัดไว้ตรงนี้บ้างนั่เล่าให้ฟังเราให้ราชกุมารฟังบ้างเราให้ข้าราชกดีฟังบ้างเราให้พวกพราหมณ์ฟังบ้างอย่างนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่ตัดมาก็นำมาจากพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็มีส่วนที่เป็นพระวจนะที่พระเจ้าเล่าให้ฟังนี้อยู่โดยมีหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎก เนะีใช้เวลาอยู่หลายปีทีเดียวนะ่ยรวบรวมเรื่องที่เป็นพุทธประปรวัติที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติมาเนะีแปลรวบ ร, รวมจากภาษาบาลีเลยเนะีแปลโดยตรงจากภาษาบาลีแนี่แนะปลเสร็จแล้วก็มารวบรวมไว้ในหนังสือที่ชื่อ ว, ว่าพุทธประวัติจากพระโอษด์แตนะ่ถ้าท่านผู้ฟังสนใจหนังสือจุดนี้ก็คิดว่าหาซื้อได้ตามร้านหนังสือธรรมะนะน่าจะมีทั่วๆไปแต่เป็นเล่มดําๆ แล้ในนี้ก็มีคำพุทธเจ้าเต็มหมดเลยและมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีในอดิตชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้าในาที่จะได้นำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังให้ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาจริงๆตรงส่วนที่ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งเนี่ยคือการอธิบายเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ หลักการธรรมะที่พระเจ้าได้เทศสอนเอาไว้นั่นแหละมาในการอธิบายในการอธิบายนี้บางทีก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นเนื้อหาปัจจุบันนะเพราะว่าบางทีในสมัยก่อนเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกวียนเกี่ยวกับการทำไร่ทำนาเกี่ยวกับธรรมชาติของบ้านเมืองที่มันจะไม่เหมือนกับปัจจุบันเท่าไหร่ บางอย่างเป็นประเพณีระเบียบธรรมเนียมประเพณีของอินเดียเนี่ยก็ต้องต้องมีการอธิบายตรงนี้ให้ทําความเข้าใจให้ฟังทีนี้มันมีคําถามหนึ่งที่อาจจะท่านฟังอาจจะคิดนะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของพระรูชาวนี้ในอดีตชาติเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงต้องเวียนเกิดเวียนตายไปไ ป, ไปมามานะมีการเกิดแล้วตายตา ย, ตายแล้วเกิดอยู่ร่ําไปร่ําไปนะี่ยจึงทําให้มีพิสุรูปหนึ่งเนี่ย มีความคิดความเข้าใจไปถึงขนาดที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยนะมีเป็นตัวที่ไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายนะพิสูจน์ผ้นี้ก็ชื่อสาตินะที่พระพุทธเจ้าได้เคยตำหนิเราก็บอกว่าไอ้อันนี้เราไม่ได้สอนนะว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไปเกิดไปตายแต่สอนว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นได้ถ้ายังมีเหตุของการเกิดแห่งวิญญาณอยู่นะจิตก็ยังไปเกิดอยู่ นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ขัดกับธรรมะในหมวดนีนะ้คือถ้าเราจะบอกว่าออตัวพระพุทานี่แหละนะวิ ญ, ญญาณจิตของพรุทธเจ้านี่แหละที่ไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายเ ป, เป็นหลายห้าร้อยชาติพันชาติหลายชาตินะขึ้นมานะถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็จะขัดในหมวดธรรมะที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันแต่เพราะว่าเหตุของการเกิดนะเหตุของการเกิดยังมีอยู่จึงทําให้จิตของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นสัมาสมพุทุเจ้าเนี่ย จิตของโพธิสัตว์เนี่ยยังจะต้องไปเกิดอยู่นั้นจึงทําให้มีการเรื่องราวต่างๆในภพนั้นชาตินี้นะอันนั้นจึงเป็นความว่าใจที่ถูกต้องนั่นคือไม่ใช่ว่าจิตนั้นไปเวียนเกิดเวียนตายแต่จิตนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนั้นเกิดดับไปแล้วคือดับมันก็ดับไปแล้วแต่แต่ที่มันยังเกิดใหม่นั่นก็เพราะว่ามันยังมีเหตุของการเกิดอะไรที่เราพูดว่าพระพุทธเาไปเกิดไปตายโพธิสัตว์เนี่ยนะไปเกิดไปตายเนี่ย ก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าโพริสัตนั้นจิตยังไม่ได้มีเหตุของการเกิดที่ทําให้ถูกดับไปัก็ยังมีอวิชชาอยู่นะโพริสัต น, น, นะนะมีอวิชชาอยู่ก็จิตก็ต้องมีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจนกระทั่งมาเป็นสมาสมุทิยเจ้าในชาติสุดท้ายจิตนั้นก็คือไม่มีการไม่มีอวิชชาละจึงไม่ได้มีไปการเกิดอีกต่อไปเบื้องต้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดตายนะของโพริสัตไว้ ในลักษณะนี้ก่อนถ้าท่านผู้ฟังยังมีความสงสัยในเรื่องนี้ในคิดว่าอันนี้นี่จะต้องอธิบายในเรื่องของปฏิจจสมุปาฏินะก็ค่อยมาคุยกันในวราระต่อไปได้ทีนี้เราพูดถึงการบําเพ็ญบารมีมานะของพระพุทธเจ้านี้เศียรทรงไขแสนมาหากับนี้อย่างน้อยไปเศนะียรทรงไขแสนมาหากับนีนะ้คือเฉพาะที่ได้รับการประยาดกาอ่อนเศียรทรงไขแสนมาหากับนี้มันนานมากนา น, น, นขนาดที่เรียกว่า โอ้ยจนเลิกน we ับไปสมมติเอาเอาทรายเรานับเม็ดทรายทีละเม็ดอย่างเงี้ยนับทีละเม็ดนะท่านผู้ฟังคุณไปท่าทรายสักท่าหนึ่งนะเอาเม็ดทรายทีละเม็ดมานับนับนับนับนับนับนับนับนับนับนับนับไปหนึ่ง6 7สมี่ห้าหกเจ็ดนับทีละเม็ดนะจนกระทั่งว่านับมันเราลืมไปแล้วไอ้ที่นับผ่านมานี่มันมันเท่าไหร่ไม่ใช่ล้านไม่ใช่10ล้าน2ี่สิบล้าน หรือเป็นหมื่นล้านหรือเป็นพันพันล้านหรือเป็นแสนล้านมันนับจนกระทั่งลืมไปแล้วอ่ะนะโอ้ตายละที่นับไปนีน่มันเท่าไหร่กันแน่นเอางี้ว่าเรียกว่ากองหนึ่งก็แล้วกันเรียกว่ากับ1นึ่เรียกว่ากับหนึ่งนจนกระทั่งนับไปอีกจิระเม็ดละเม็ดละเม็ดละเม็ดจนกระทั่งว่าไอ้เท่าที่กองที่กลับ1นเนี่ย น, นะที่นับไปแล้วเนี่ยจนลืมไปแล้วว่ามันกี่กลับกันแน่จึงเป็นอางไขขึ้นมา นะคือคือนับจนทั้งลืมไปแล้วอะ่ะลืมไปหลายรอบเลก็นะว่าเหมาเหมาแล้วกันเหมาเหมากองๆองนี้เป็นประมาณเท่านี้ในะเม็ดทรายต่ละเม็ดนั้นคือชาติหนึ่งแต่พระเจ้าเคยเปรีบเทียบ1กับเนี่ยนะเหมือนกับภูเขาหินศิลาทั้งแท่งนะไม่มีรอยต่อไม่มีถ้ำอยู่ในนั้นไม่มีช่องว่างอยู่ในนั้นเนี่ยกว้างยาวสูง1นะโยอดนะคือ16บกกิโลเมตรเนี่ย มีเทวดานะีทุกร้อยปีเอาผ้าเนะ่ผ้าจากเมืองกาสีเนี่ยมาลูบทีหนึงแตนะ่ทุกร้อยปีก็เอาลงมาลูบอีกทีหนึ่งเนะี่ยเพื่อที่จะให้มันสึกไปสึกไปนะีสึกนี่ก็ไม่ได้ใช้กระดาษทรายไม่ได้ใช้หินอะไรมาโขกมาตีแต่ใช้ผ้าลูบทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสึกไปนะีจนกระทั่งภูเขาหินเนี่ยราบไปหมดเรียบไปหมดติดกับพื้นดินนี่นี่คือระยะเวลาความยาวนานที่จะต้องใช้ ในระยะเวลา1กึ่งกับคือมันยาวนานมากหรือเปรียบเทียบกับเวลาที่เราร้องไห้ในเวลาที่เราร้องไห้เฉพาะตอนที่เป็นโรคมะเร็งยงกตัวอย่างเช่นนะเอาเฉพาะเวลาที่เราร้องไห้จากข่าวที่เรารับทราบว่าตัวเราเองเป็นโรคมะเร็งนะเ้าเฉพาะชาติแบบที่เกิดแบบนี้แต่นะสมมุติเราชาตินี้เราเกิดมาใช่ไหมชาตินี้คุณไม่เป็นมะเร็งนะแล้วคุณก็อาจจะร้องไห้จากเหตุการณ์อื่นๆสุขบ้างทุกบ้าง เงินหายบ้างญาติตายบ้างแล้วร้องไห้อัไรไม่นับเอาเฉพาะถ้าคุณเป็นมะเร็งนับย้อนหลังไปสมมติชาตินี้คุณเกิดเป็นคนคุณไม่ได้เป็นมะเร็งไม่นับไม่ต้องเอาน้ําตาตรงนั้นมาน้ําตาเหตุการณ์อื่นไม่เอานับย้อนหลังไปอีกเจอชาติไหนเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์นั้นเป็นโรคมะเร็งแล้วร้องไห้ถ้าเป็นโรคมะเร็งแล้วไม่ร้องไห้ก็ไม่เอาก็ผ่านไปผ่านไปนับย้อนหลังไปนับย้อนหลังไปเอาเฉพาะชาติที่คุณเกิดเป็นมนุษย์ แ้วเป็นโรคมะเร็งแล้วรอ together, ้องไห้นั้นเอาน้ําตาตรงนั้นมารวมไว้รวมไว้ชาติที่เกิดเป็นเทวดาไม่นับนับย้อนหลัง cool ไปอีกชาติที่เกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่เอาชาติที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นโรคอย่างอื่น่งที่ไม่ใช่มะเร็งแล้วร้องไห้ก็ไม่เอานั้นเาอาน้ำตาตรงนั้นเนี่ยมารวมกันนับย้อนหลังไปเจอชาติไหนเอาแบบแล้วร้องไห้เอาน้ําตาตรงนั้นมานับย้อนหลังไปเจอชาติไหนเป็นแบบนี้เอาน้ําตาตรงนั้นมานี่ยน้ำตาที่เอามาย้อนหลังไปหนึ่งกับนัย้อนหลังไประยะทาง ระยะเวลา1กลับเนี่ยเอาน้ําตาตรงนั้นมารวมกันเนี่ยเราจะพบว่าน้ําตาที่เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะมีโรคมาเร็งด้วยนะแล้วก็น้ําตาไหลเอาน้ําตาตรงนั้นมาเนี่ยย้อนหลังไป1นึกับนะช่วงเวลาที่เราเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นนะถ้าเกิดเป็นทเทวดาก็นับเวลาด้วยแต่ไม่เอาน้ําตาตรงนั้นมานเะพราะไม่มีเอาน้ําตาน้ําที่มารวมกันเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับน้ําทะเลในมาหาสมุทรทั้ง4 น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยยังน้อยไปท่านผู้ฟังนะคือระยะเวลาหนึ่งกับเนี่ยมันยาวนานมากนะไว้อย่างนั้นเถอนะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนมหากับเฉพาะเท่าที่เท่าที่พระองค์บอกให้ฟังนะก่อนหน้านั้นก็ยังมีอีกนะเป็นหลายๆายเท่านะกว่าจะมาถึงความเป็นสมมาสมพุทธเจ้าในชาติที่เกิดเป็นเจ้าชายสินธตานีนะเพราะฉะนั้นะะระยะเวลา1นึกับเนี่ย มันยาวนานมากเราไม่ต้องพูดเลยว่ามันเท่าไหร่มันนานจนลืมไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงความดีความงามที่พระเจองของเราได้ทํามานะเรื่องที่เด่นชัดที่ลหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาด้วยฟังโดยซ้ำนะั่นก็คือเรื่องของความเป็นพระเวสสันดรนะชื่อเวสสันดรเ น, นี่ยแปลว่าระหว่างชาวร้านนะที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีกําเนิดตอนนั้นประมาณดา ไปเดินประพาสตลาดนะก็ไปตลาดนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นอายุลูกในคั น, นอายุ10เดือนพอดนะีก็เลยได้กําเนิดในระหว่างชาวร้านนะจึงชื่อว่าเวสันต์ดอนนะตอนที่ช่วงที่อยู่ในคันนั้นก็มีความมารดาที่ชื่อว่าพุทธดีก็มีแต่ความคิดอยากจะให้ทานอยากให้ทานแกยาจบผู้ยากไร้อยากให้ทานแ ก, ก, ก, ก, นแกสมณพราหมณนะ์อย่างไม่ยังมือ เหมือนน้าที่มันไหลมาเนี่ยไหลมาไหลมาไหลมาไม่หยุดเลยหรือเหมือนน้าประปลาเนี่ยเราเปิดจากก๊อกนี่ไหลมาไหลมาไหลมาเรื่อยๆเลยเนี่ยถ้าไม่ปิดก๊อกนี่มันก็ไหลมาเรื่อยๆเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะปิดกันได้เนี่ยเป็นต้นนะความคิดของแม่เจ้าผู้สดีที่เป็นมารดา ข, ของเวะสันดรตอนที่พระเวสันดรยังอยู่ในคันเนี่ยก็มีความคิดแต่จะให้ทานในลักษณะนั้นนื้อตัวพระเวสสันดรเองน่ยที่ประสูติมาแล้วเป็น ถ้ารกเป็นเด็กเนี่ยอายุ8ปีนั่งอยู่ในประสาทเนี่ยก็มีความคิดนะที่จะให้ฐานนะมีความคิดความรำพึงนะเด็กอายุ8ขวบก็เริ่มรู้เรียงสาบ้างใช่ไหมทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะให้ฐานนะจะให้ฐานดวงตาหัวใจเนื้อเลือดร่างกายแตนะ่ถ้าจะมีคนมาขอเนี่ยจะให้เน่ยความคิดอย่างนี้ ดัมบารีเกิดมีขึ้นเนี่ยจึงทําให้แบบโลกธาตสั่นสะเทือนนะเป็นดินสั่นไหวนะวกเขาสั่นสะเทือนแล้วก็พอตัวเองได้เป็นพระราชานะครองนครในเขตนครเชตุดดอนเนะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมีเรื่องราวโดยพิสดารหลายอย่างที่เขาได้เขียนกันเอาไว้นะแต่งเป็นละครแต่งเป็นหนังนะมีการเป็นหมอรำก็รําเกี่ยวกวับเรื่องเวชสัดนดรก็มี นะงานบุญพระเวทอย่างนี้เราได้เคยได้ยินกันแต่ทางภาคอีสานเนี่ยเราก็จะมีเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวชสันดรทีนี้ตรงที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเฉพาะที่พุทธวจนะที่เล่าเอาไว้นะส่วนอัลกัตตาเราเลียกไว้ก่อนนะเนื่องจาะว่ามันมีความพิสดาราต่างๆมากมายแล้วนะ เ, เฉพาะตรงที่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเล่าเอาไว้นะว่าตัวพระองค์เองเนี่ยตอนที่มีกําเนิดเป็นเวชสันดรเนี่ยก็ได้ไปให้ทาน นะคือการให้ทานเนี่ยก็คือว่าตัวเองเก็ขึ้ น, ช, นะจจนช้างปัจจัยนาคไปช้างปัจยนาคนี่เป็นช้างที่มงคลนะมีอวัยวะทั้ง7อย่างเนี่ยสัมผัสพื้นนะคือมีขามีงามีงวงมีหางเนี่ยสัมผัสพื้นไดนะ้ถือว่าเป็นลักษณะของช้างมงคลเป็นช้างเผือกด้วยนะช้างแบบนี้ เ, เป็นช้างที่นานๆจะมีสักทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเป็นช้างที่มีทั่วๆไป เป็นช้างที่กู้บารมีคู่บ้านคู่เมืองว่างั้นนะช้างที่มีนี้ก็ขึ้นช้างนี้ไปทุกๆเดือนหนึ่งสองครั้งนะคือตอนต้นเดือนกับกลางเดือนนะคือช่วงวันอุโบสถเอ่อกึางเดือนแล้วก็ปลายเดือนก็พูดง่ายๆคือวันพระใหญ่นั่นแหละขึ้นช้างไปนะไปให้ทานนะในระหว่างที่ขึ้นช้างไปมีอยู่ครั้งหนึ่งนะก็มีพราหมณ์นะที่มาจากแคว้นกาลิงนะเขาก็มาขอช้างนะตัวนี้ แลนะคือจิตของบริษัทในที่นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเราเราลองมาวิเคราะห์ดูนะว่าสมมติเราเจอขอทานหน้าบ้านเราเขาก็เดินก็ก็แกล้งมาขอทานเราอาจจะมีความคิดยี่ขอทานไปๆ ป, ปให้ไปเสร็จตั้ง5บาท10บาทแล้วก็ลลายเข้าไปนะหรือมีอะไรให้ไปก็ให้เสร็จเสรที่เราไม่ต้องการให้เข้าไปอย่ามาพูดว่าจะมาขออะไรเลยนะฉันจะให้แบบนี้แหละแล้วก็รีบๆไม่ให้มันไปไม่อยากให้อยู่หน้าบ้านเราไม่แกยังอยู่มาใกล้เรา แต่จิตของบริษัทไม่เป็นอย่างนั้นในเห็นคนมาขอเนี่ยแม่มีความเบิกบานนะขออะไรให้หมดนะเพื่อที่ทำตามความตั้งใจของตัวเองในะคิดดูขนาดเขาจะมาขอดวงตาในะอวัยวะเนื้อเลือดร่างกายก็จะให้แล้วมันจะอะไรกับช้างที่เขาสมมติว่าเป็นมงคลเป็นของที่คู่บ้านคู่เมืองเป็นของที่เราเราจะหวงเอาไว้วบนั้นนะ แต่โพธิสัตว์นั้นก็ให้อย่างท่านผู้ฟังนี้ถ้ามีของสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างเช่นรถยนต์ของตัวเองก็ไนดะ้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเกง๋งรถปิกอัพอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีคนมาขอนะ อ, ยอย่าพูดถึงว่าไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นญาติเป็นลูกเป็นอะไรหรอกนะบางทีเราก็ยังหวงกันลูกตัวเองญาติตัวเองนี่ขอทานมาขอท่านผู้ฟังคิดดูจะให้ไหมแม้มันยากเหมือนกันนะที่จะทาใจขนาด น, นี้ แต่โพธิสัตเนี่ยไม่รู้จักไอ้พรามที่มาจากแคว้นกาหลิงด้วยซ้ําแต่เวสันดรเนี่ยไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำเขามาบอกให้ฟังว่าแม่นแคว้นมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่รู้เป็นเรื่องราวที่เขากุลขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามีคนหอขอจะให้แล้วนะก็ให้ไปในวิธีการให้ของสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เอาน้ํารดมือกันมืนจะเป็นสัญญานะเอาโพธิสัตว์ก็เอามือจับงวงช้างข้างหนึ่งอีกมือหนึ่งก็หล อ, อน้ําเต้า ในลงในมือของคนที่จะให้นะเป็นการลักษณะว่าทําสัญญาให้แม่ธรณีเนี่ยทราบแล้วนะว่าช้างที่อยู่ในมือชั้นข้างซ้ายนี่นะจะให้นะมือขวาก็จับน้ำเนี่ยน้ำเต้าเนี่ยเอาน้ําเทลงไปที่มือของคนที่เราต้องการจะให้่นะเป็นลักษณะของแบบเหมือนการเส้นสัญญากันว่า ง, งั้นนะในปัจจุบันเราก็จะมีคุณมีการซื้อขายกันแล้วนะคุณไปเซ็นสัญญาขึ้นฉบับหนึ่งเจ้านี้ผู้ซื้อผู้ขายก็ให้ไป ในลักษณะ น, น, นี้ก็เป็นการหลอนน้าเต้าในมือปรามให้ไปแล้วนั้นะปรากฏว่าสระในที่นั้นเนี่ยการเสียสระในที่นั้นเนี่ยทำให้แผ่นดินบันไหวสะทานเสะเตือนนั้นะเป็นอย่างนี้แล้วชาวเมืองศรีพีนะ่ะชาวเมืองเชตุดรนนี่แหละโกรธมากเอา้าได้ยังไงให้ของคู่บ้านคู่เมืองให้ช้างให้มาได้ยังไงในตัวอย่างบางทีเราเป็นสามีภรรยาแต่เป็นคู่ครองเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่น้องกันอย่างนี้มีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ เราเราใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยมีคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งไปนะ่ะเราก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจกับคนนั้นบ้างการติ่นแจงของเขานั่นะในกรณีนี้ก็เหมือนกันที่ชาวเมืองเนี่ยไม่พอใจกับพระราชาของตัวเองนั่นะคือเวสันดรนนะชาวเมืองสีพีนีโกรธกำเริบกำเริบในที่นี้ขึ้นหมายความว่าเป็นการบดน่นะไม่พอใจแล้วกบฏแล ะ, ะ, ละจะขับไล่ละเปลี่ยนกษัตริย์ละนะองค์นี้ไม่เอาน่นะก็จึงทําการกรบฏขึ้น น่าจะขับไล่ไปในประเทศไปอยู่เขาวงนะจิตของบริษัทในที่นั้นเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในที่นี้หมายความว่ายังมีความคิดที่จะให้เขาอยู่ยังมีความคิดที่จะเออเธออย่าไปตามเขาเอาไปตามเอาเขาคืนมาแตนะ่คือบางทีเราให้ไปแล้วเนี่ยอา้าวแต่สินใจผิดเอขอโทษขอโทษแล้วก็ไปเอาของเขาคืนมาเนะีเป็นกษัตริย์นี่คุณมีกองทหารนี่ก็แบงคับเอาเขาคืนมาเขาเป็นอะไรเป็นแค่พรามจ น, จนๆนะเดินไปยังไม่เท่าไหร่ เราไปบังคับคืนก็ได้แต่บริษัทจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจมีความมั่นคงให้คือให้ให้คือให้เพราะฉะนั้นก็คือไม่ไปตามทวงคืนนะห้ามมาไวนะ้ชาวเมืองก็ยิ่งโกรธนะนะก็เลยจะขับไล่คนนี้แหละไม่เอาไว้ละแล้วนะก็เลยมีความคิดว่าเอาถ้ายอย่างนั้นไหนๆจะไปขอให้ทานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโอ้ยจึงเป็นที่โจดจันเล่าลือกันอย่างใหญ่หลวงในเรื่องนี้นะว่า โอ้ยถูกขับเพราะให้ทานยังจะให้ทานอีกนี่คือเรื่องของเวสันดร น, นะในครั้งนั้นก็จึงให้มหาทานนั่นชื่อว่าใหญ่หลวงมากหนาช้างมา้ารถท่าท า, ทาสีโคและทรัพย์คือทานที่ให้เนี่ยไม่ใช่เอาของกระจกกระจกมาให้ท่านฟังนั่นไม่ใช่เอาของเหลือของใช้เสร็จเหลือเสร็จใช้มาให้ไม่ใช่แต่เอาของดีให้แต่เอาของดีๆให้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นไปได้หรอหรือเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเิหรอ แล้ลองฟังดูเอาอย่างแค่เราคิดเรื่องของเหตุเป็นความเป็นเหตุเป็นผลก็นแ้ลนะในปัจจุบันเราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะอย่างสุตดเขาขอบริจาคเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยคุณก็เอาเสื้อกันหนาวที่ห่วยๆเราไม่ใช่ละเราใส่ไม่ได้เอาให้เขาไปแตนะ่แต่จิตของเราจิตของบริษัทไม่เป็นเช่นนั้นเอาของดีๆและบางทีซื้อใหม่ให้เลยและบางคนที่มีจิตเป็นอย่างนั้นก็มีนะทีนี้เรามาเปรียบเทียบกลับกันในเรื่องของสิ่งอื่นๆนนะไม่ใช่แค่เฉพาะเสื้อผ้า ยังเป็นอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งหม่มอะไรต่างๆก็ให้ชนิดที่ว่าของดีๆให้แล้วอย่างเราให้ประชาประสงค์อย่างเงี้ยแต่บางคนจะมีความคิดว่าโอ้ยขนาดว่ากับทํากับข้าวให้ประสงค์อย่างเงี้ยโอ้ยต้องเอาของดีๆนะต้องเอาตักข้าวปากหม้อให้นะทําอาหารใหม่ซื้อใหม่จเจ้าของเก่ามาให้เนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกตกิดตะขวงใจนตบางคนเป็นอย่างนี้แตนะเช่นเดียวกันจิตของบริษัทเนี่ยเป็นลักษณะนี้กับทุกคน น่นไม่ใช่เฉพาะกับประชาค์แม้แต่ยาจกขอทานชาวบ้านธรรมดาก็มีจิตที่จะให้ของดีๆนะ่นไม่ใช่ให้ของหวยหวยๆเพราะนั้นการให้ของบริษัทในแต่ละชาติเพื่อบาเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยจึงให้ของในลักษณะนี้ของคู่บ้านคู่เมืองอย่างช้างปัจญจานาคเนี่ยมีหนึ่งเดียวเนี่ยยังให้เข้าไปได้ทีนี้พอถูกขับไล่ออกมาเนื่องจากว่าให้ของคู่บ้านคู่เมืองไปแล้วเนี่ย ก็ขอให้ทานอีกครั้งหนึ่งพอจะออกเดินทางไปเขา ว, วงเขาก็เอารถราชรถมาให้นะมีช้างมีม้าเทียมเอาไวา้สี่องค์ไปด้วยกันแต่ก็มีเวสันดรพระนางมัตซีลูกกัญหาชาลีพอออกพ้นเขียนตะคระก็เหลียวดูเป็นการลาเหมือนกับลักษณะที่เราได้เคยได้ยินว่าพระชจ้าตอนก่อนจะปริพาน้นได้ออกเดินทางจากเมืองเวสาลีไป เมืองกุสินาราก็เหลียวมองดูเมืองเวสารีเป็นครั้งสุดท้ายนนในลักษณะนี้เหมือนกันไปกันสั่งลาแต่ทีนี้พอเดินทางไปถึงสี่แยกก็มีคนมาขออีกขอรถยนที่ขอรถเนี่ยที่เทียมไปด้วยมา้าก็ให้ไปแต่ทีนี้ก็ไปกันแค่4ี่รูปละสองค์ละนั่นก็คือพระนางมัสซีพระเวสันดรกัะหาชาลีไปด้วยกันตามผลทางต่าๆสูงๆก็ อุ้มกันลูกเด็กน้อยนะก็อุ้มกันไปทีนี้ระหว่างการเดินทางก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆอีกนาะเช่นว่ามีเหตุการณ์อัศจรรย์ต้นไม้น้อมกิ่งที่มีลูกดกเข้ามาหากนหาชาลีเองนะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ยักษนะ์คือยักษ์ที่เป็นเทวดาเนี่ยเขาช่วยย่นระยะทางการเดินทางให้สั้นเข้าขึ้นมานะก็เลยไปถึงแว่นแหว้นของญาตินะที่เจตาราด นะเจตราชก็อยู่ใกล้เขาวงเข้าไปอีกลนะจากเจตราชก็เดินทางไปสู่เขาวงนะเขาวงก็เป็นป่าเนี่ยท่านผู้ฟังแต่เป็นป่าที่ไม่มีใครอยู่เป็นป่าที่เงียบเชียบนะอยู่บนภูเขานะสูงอยู่สูงขนาดนั้นเนี่ยก็ยังมีนักขอตามไปหาอีกนะนักขอในที่นี้ที่เราทราบกันก็คือชูชกนั่นเองดังฉีของบริษัทเป็นอย่างนี้ว่ามีความบันเทิงใจเกิดขึ้นนะเพราะได้เห็นยาจบนักขอเนี่ย เข้าไปหานะ่ยมีความบันเทิงใจเกิดขึ้นตรงนี้ที่ของโพธิสัตวนั้นก็พร้อมที่จะให้เต็มที่เนะีเราก็ไม่มีความหวั่นไหวเนะ่ยมีแต่ความที่จะนุเคราะห์ผู้อื่นเนะีเราเวลาที่ให้ไปนั้นก็ไม่มีความลังเลใจนะีให้แล้วคือให้ตัดสินใจแล้วคือตัดสินใจเลยนะ่ยมีความเข้มแข็ง เ, เด็ดเดี่ยวในลักษณะนี้เนะีถึงแม้คนเขาจะขอชีวิตคนตัวเองก็ยังจะให้นะี่ยปถืออะไรกับลูกหรือว่าพระนางมสี ตรงนี้หลายๆคนอาจจะมีความคิดว่าโอ้โหทำไมทำขนาดนั้นมันไม่รักลูกรักเมียเลยหรอนะพระรู้จ่าบอกอย่างนี้บอกว่าในชาตินั้นไม่ใช่ว่านางมัตสีหรือว่าลูกกัญหาชาลีจะเป็นที่เกลียดชงังไม่เป็นที่รักก็หาใหมนะ่แต่เพราะว่าสัพพัญยุตยานันะ้เป็นที่รักของเรานะเราจึงให้ของที่เรารักให้ของที่ตัวเองรักนะเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักแตนะ่ที่ดูจิตเป็นอย่างนี้นะให้เนี่ยเพราะว่าอยากให้ของดีๆ กับคนอื่นเขาแต่ไม่ใช่ให้เพราะว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้เราเกลียดสิ่งนี้จิตของเราเป็นยังไงเวลาที่เราใช้ทานแต่เราจะให้ของดีๆเพื่อที่จะให้เขาได้มีของดีๆแตไม่ใช่เพราะว่าเราให้เพราะเราไม่ต้องการสิ่งนี้หรือเพราะว่าเราเกลียดสิ่งที่เรากําลังจะให้นี้ไม่ใช่อย่างนั้นจิตเราต้องทําให้เป็นอย่างนี้นอกจากนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเล่าให้ฟังที่เมื่อวานได้อ่านให้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องของชลินชลินก็เป็นผู้ที่บําเพ็ญตบะ แต่เป็ีในลักษณะนี้น่นอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำบูชาไฟในชานั้นพระองค์ก็เป็นคนมีฤทธิ์สามารถทำให้สิ่งต่างๆไม่ได้แล้วก็ขณะว่ามีคนมาด่ามาว่าแช่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ามองเขาแว บ, บเดียวเขาระเบิดตู้มไปเลยนด้วยความที่ตัวเองมีฤทธิ์นะแต่ก็ไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะว่ารักษาศีลของตัวเองไม่ได้รักษาจะรักษาชื่อเสียงแต่คือบางคนในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ด่าเราอย่างนี้ เราเสียเสียให้หายก็เราไม่ได้ทำแต่เราก็เลยมีความคิดว่าจะด่าเขากลับด่าเขากลับคือคุณพ่นไฟกลับเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองมีคนหมิ่นประมาทเราอย่างเงี้ยเราก็ไปฟ้องศาลด่ากันเธอหมิ่นประมาทฉันฉันไม่ได้ทําแต่ตรงนั้นชื่อว่าเราไม่รักษาศีลละศีลในที่นี้ที่บริษัทพูดถึงเนี่ยคือการไม่ฆ่าสัตว์ศีลที่มีความละเอียดเป็งเช่นว่าเราจะไม่พูดวาจาที่ทุ่มเถียงกันเราจะไม่พูดคำหยาบเราจะไม่พูดเท็จพวกนี้ นะัรักษาศีลแต่ไม่รักษาเกียรติยศว่าเออเขาจะมาทําให้เราเสื่อมเสียเกียรติยศอย่างไรเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่เราสนใจในการที่เราจะรักษาศีลของตัวเราเองนั่นะเราจึงไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาเขาจะกล่าวหาเราอยังไรเราก็นิ่งเฉยอยู่นั่นะจิตอย่างนี้เป็นจิตที่สูงมากดีมากเลิศรู้มากเรื่องราวของโพธิสัตว์เนี่ยยังมีอีกหลายอย่างนะเป็นพิสดารไปหลายๆแบบนะเป็นเรื่องราวที่ แ ต, นะแต่งขึ้นมีก็มีเน้เสริมเติมแต่งขึ้นมีที่เราเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสเองนะอาจจะมีความพิสดารตรงนั้นตรงนี้บ้างก็นิดๆหน่อยๆจะไม่เหมือนเรื่องที่สืบเล่าสืบกันมานะตามหนังสือชาดกทั่วๆไปก็จะแยกตรงนั้นเอาไว้เพราะนั้นความพิสดารความที่เหมือนหวือหวาอะไรต่างก็จะไม่เหมือนกันในที่นี้เนี่ยต้องการจะให้ท่านฟังได้ฟังวิเคราะห์จิตของโพธิสัตว์ นะจิตของอิติปิความอิติปิมาเป็นยังไงถึงมีจิตใจอย่างอย่างสามารถสัมพุทธเจ้าได้แล้วลองมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองจิตใจของเราได้แม้ความเป็นอิติปิของสมาสัมพุทิชจ้าไหมแล้วลองพิจารณาดูอเอาแค่ให้ทานและยังเลือกที่จะให้กับใครกับใครเราพิจารณาดูตรงนี้เราก็จะเห็นถึงความล้าลึกเหนือชั้นเนะข้าขั้นของใครสักคนใดคนหนึ่งที่จะมาเป็นสมาสัมพุทธเจ้าได้ ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุลโนก็เวลาหมดแล้ว น, นเราเรื่องเวสันดรให้ฟังได้ต่า น, นั้นเองยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกนอีนเช่นของพราหมณ์ชื่อจุลโพที่อย่างนั้นก็ตามในโอกาสต่อไปก็จะมาพูดคุยกับท่านฟังต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญรบรวน